ต้องอยู่ใกล้คนจิตฟุ้งซ่านนับเป็นความโชคร้ายในชีวิตทางที่ประเสริฐคือการเอาตัวคุณเป็นโชคดีของเขาถ้าใครบางคนชวนคุณคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือกดคุยเรื่องไม่ดีมาพร่ำบนได้ตลอดเวลาคุณคงรู้ว่าคนแบบเนี้ไม่มีสมาธิแน่ๆแล้วก็รู้ด้วยว่าน่าเป็นห่วงแทน หากจะต้องจากโลกนี้ไปแบบปุก ป, ปับด้วยสภาพจิตฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงอลมมนเมื่อคนแบบนี้เข้าใกล้คุณได้บ่อยๆอาจเพราะความสัมพันธ์ในหน้าที่การงานหรือกระทั่งอยู่ในบ้านเดียวกันก็เท่ากับคุณได้คลื่นรบกวนให้ฟุ้งซ่านตามอาจนับว่าตัวเขาเป็นความโชคร้ายในชีวิตคุณก็คงไม่ผิดจะความจริงนักทางที่ประเสริฐ คือการเอาตัวคุณเป็นโชคดีของเขาโดยทำไว้ในใจว่าจิตคุณจะต้องเป็นเครื่องสลายความฟุ้งซ่านให้จิตเขาคำนวณจากน้ำหนักความรู้สึกทีละครั้งทีละหนเมืเ่อเขาพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องตามอารมณ์คุณต้องทำให้เรื่องลงเอยดีๆตามเหตุตามผลเมืเ่อเขาพูดเรื่องมืดๆคุณต้องทำให้เรื่องลงเอยสว่างๆ เมื่อเขาพูดสร้างบรรยากาศร้อนแรงด้วยพยาบาทคุณต้องสร้างบรรยากาศเยือกเย็ยนด้วยเมตตาด้วยการตัดสินใจเลือกเส้นทางกรรมชนิดนี้ของคุณตัวเขาจะเปลี่ยนฐานะจากโชคร้ายมาเป็นยิ่งกว่าโชคดีในชีวิตในเมื่อเขาเป็นเครื่องฝึกเขามีส่วนช่วยให้สติของคุณจเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด น, นั่นเพราะการขาจัดคลื่นรบกวนในชีวิตด้วยวิธีเปลี่ยนอกุศลจิตของคนใกล้ตัวให้เป็นกุศลธรรม จัดเป็นการยกกระดับชีวิตเอาเครื่องทวงความเจริญออกจากชีวิตครั้งใหญ่ล้างเวร ล, ล้างภัยบนเส้นทางเจริญสติในระยะยาวได้จริง